เรื่องทรงแสดงธรรมแคร์ภิกษุปัญจวคีข้อ12ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนะมรึกขายวันเขตกรุงพาราณสีแล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวคีอยู่ภิกษุปัญจวคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคโดมนี้เป็นผู้มากๆ ทายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกําลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไวา้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่งครั้นเสด็จมาถึงภิกษุปัญจวคีก็ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาของตนได้ต่างต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ําล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนํากระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปวางพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอัศนะที่ภิกษุปัญจวคีจัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทแต่ภิกษุปัญจวคีกลับร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยออกพระนามและใช้คําว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวคีกล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสห้ามภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าร้องเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม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 แม้ด้วยทุกขระกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆชนฉะนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวคีกลาบทูลอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวคีดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสวดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระภิกษุปัญจวัคคีแม้ครั้งที่สภิกษุปัญจวัคคีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขะระิรยานั้นพระวกก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนาที่ประเสรศิฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือไม่ว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าถ้อยคําเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแตถาคตเป็นอรหันตัดสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเนี่ยสตดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรมาจันที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรณชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้ภิกษุปัญจวัคคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นภิกษุปัญจวัคคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ย ส, ด, สดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่ง